คราวที่ 2 นะครับก็เป็นข่าว Queen กับคุณเอ่อเฟรดดี้เมอร์คิวรีนะครับวงควีนนั่นเองแล้วทําไมเค้า ต้องใช้ชื่อนี้ค่ะใช่อันนี้คือทันนี้เลยนะนี่คือ We are the champ We are the champ เปลี่ยน แค่นั้นแหละเพลงที่เขาได้ไม่ใช่เหรอ 20 ปีนะครับแล้วก็เขาเสียชีวิตด้วยโรคเอต เขาเป็นเรือใช่มั้ยคุณเขาเป็นเรือแล้ว เป็นเชฟ Executive นะครับก็คือเซิร์นนิ๊กละกันนะครับเรียกสั้นๆนะหรอก็เป็นเชฟหรอเป็นชีฟนะครับก็เป็นเชฟอ้าวก็เป็นนะคนพ่อครัวนะคะ ก็คือเค้าพูดไว้ว่าคือ 20 ปีที่แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยโชคๆมากมาย HIV ก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะอืมก็เตือนสติ ใช่ทํารูปเป็นอย่างบรรคุมแล้วนั่นคือคําพูดคําสุดท้าย ผู้หญิงคนเนี้ยเค้าฆ่าสามีของเค้าเอาไปทำแกงเออเอาเอาที่สับๆไว้อันนี้คือหน้าเธอคุณสามีของนางเนี่ยคือคือนาย 17 ปีแต่ เป็นลูกสามีคน แล่เนื้อเส็ดกะละมังเตรียมนําไปกรอบอาหารอาหาร รู้ว่าจะจะจัดการกับพวก เก่งเทน้อยไปน้อยไปคุณพลาดได้เกริ่นจริงๆถ้าเธอมาเมืองไทยเนี่ยเธอจะครุบเลยปีนข่าวนี้เด็ดมากอ้าวของปีนเหรอไม่ได้ของพี่เหรออ้าวเหรอนี่ภาษาอังกฤษดู ที่โบสแห่งหนึ่งว่าเค้ามีความสามารถพิเศษ HIV ใครป่วยเนี่ยไปโบสแห่งนี้แล้วก็ประมาณนี้นะไม่ของสกายนิวเนี่ยเค้าปลอมตัวไปในนักข่าวดิสเพลย์ CB อยู่แล้วเค้าได้ถามว่าโบสหลายเลยซึ่งเบอร์มิงแฮม เอ่อน้ำมนน้ำมนสเปรย์น้ำมนปล่อยหน้าเธอซ้ายคล้าย อ่างั้นอะไรถ้าเธอมีอาการเช่นงั้นเค้าจะ ฝ่ายรัศกำลังออกจากบ้านเธอเออจริงเหรอพี่เป็นไปได้ เพราะว่าถ้าเป็นผู้นําเชิร์ชหรือว่าใช่บทเดียวหลายบทด้วยใช่เป็น Sear, is I I with in Google เลยคุณ Google ที่เป็นเกย์และ wow. so nice. um, so. uh, Google เนี่ย Google ก็จะใจดีกับพนักงานทุก จะไม่ได้สักทีอย่างที่แคลิฟอร์เนียกูเกิลอยู่แคลิฟอร์เนียยังไงยังไม่ได้กูเกิลก็เลยคิดเงินเดือนให้จากเออจาก 30,000 5,000 75,000 เหรียญเลยแต่ 2 ให้สาวประเภท 2 เท่านั้นเพราะ 2 ว่าอันนี้ 2 อ่ะพี่พี่พวกผู้ประเภท 2 ยิ่งเยอะกว่า นี่คือ Google ได้มีความอย่าง Google เนี่ยเค้าจะมีข้างในอยู่ผิวมีอาหารมีๆนี่เค้ามีสโลแกนว่าอย่าง เกอร์ห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคคุณบัวเบิกก็ไปเล่นเออก็เลยนอนนอนคุณนอนที่ออฟฟิศใช่ก็จะ 24 ชั่วโมงเลยอ่ะ มันมีจุดด้วยปิ๊นคือว่าถ้าเคยใครเออมันก็ต้องขนาด 2 นะครับ 1 เนี่ยแหละนะครับเขาอ่ะเดี๋ยวดูเลย คลิปเอ่อมิวสิกวิดีโอของเค้านะครับที่แบบว่าเยอะเซ็กซี่เกินอะไรเกินเป็นเอ่อเทวิดีโอมิวสิกเพลง We Found Love ก็ มันมีมันมีใช่มั้ย 2009 ประมาณ 2-3 องค์ 2 ปีที่แล้วใช่นะครับก็ทีนี้ เรื่องกัญชาเรื่องของเซ็กส์เรื่องของเกี่ยวกับกินเหล้าทาน คุณอลันละกันนะเรียกสั้นๆอายุ 68 นะครับแต่ฉากแต่ละฉากเนี่ยมีการถอดเสื้อถอดไปเรื่อยๆขึ้นกันมาถอดไปเรื่อยโอเค มากระโดดมามึงใครเออก็